จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอหัวข้อที่สิบสี่ความดำริของคนพาลพระพุทธภาษิตอสันตังภาวมิชัยะปุเรขารันจะพิกุสุอาวาเสสุจอิสรยิยงปูชาประกุเลสุจะ มะเมวะกะตมันยันตุขีหิปัพพชิตาอุโพมะเมวะอติวะสาอัตสุกิจจากิจเจสุกิจสมินจิอิติภาลัสสังกปโปอิตสามานโจวัตเติความว่าภิกษุผานย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีในตน ปรารถนาให้มีบริวารแวดล้อมคือความเป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุและความปรารถนาเป็นใหญ่ยิ่งในอาวาสและการบูชานับถือในตระกูลอื่นภิกษุพานชอบดำริว่าขอให้เครือหัดและบรรพชิตทั้งหลายจงเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ทำเสร็จแล้วนั้นเพราะอาศัยเราผู้เดียวกิจต่างๆน้อยใหญ่จงขึ้นอยู่กับเรา อยู่ในอำนาจของเราด้วยอาการอย่างนี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญขึ้นพระอัฏกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้พระพานปรารถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่จริงในตนคือต้องการให้เขายกย่องแม้ซึ่งคุณธรรมอันตนไม่มีอยู่เช่นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีล สดับตรับฟังน้อยไม่สงัดชอบพลุกพล่านเกียจคร้านมีสติไม่มั่นคงใจไม่มั่นคงมีปัญญาสามมิได้เป็นขีณาศพแต่ปรารถนาให้เขายกย่องตนว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพระหูสูตรเป็นผู้สงัดปรารรความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตมั่นคงมีปัญญาเป็นพระขีณาศพ พระพานมีความอยากจัดว่าชะไหนหนอภิกษุในวิหารทั้งสิ้นพึงแวดล้อมเราถามปัญหาเราพระพานปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสจัดเสนาสนะดีๆสำหรับตนและพักพวกของตนจัดเสนาสนะไม่ดีให้แก่ภิกษุอื่นอันไม่ใช่พวกของตนมีภิกษุอาคันตุกะเป็นต้น พระพานไม่ปรารถนาไม่ต้องการการบูชาด้วยปัจจัยสี่ในสกุลแห่งบิดามารดาของตนและในสกุลแห่งญาติของตนแต่ปรารถนาการบูชาในสกุลแห่งชนเ่าอื่นและปรารถนาให้เขาให้แก่ตนเพียงผู้เดียวอย่างให้แก่ภิกษุอื่นพระพานมีความดำริว่าขอให้เครือหัดและบรรพชิต จงเข้าใจว่ากิจต่างๆในอาวาสย่อมสำเร็จเพราะอาศัยเราผู้เดียวและมีความต้องการอำนาจใหญ่ต้องการให้บรรพชิตและครึงหัดทั้งปวงอยู่ในอำนาจของตนเห็นตนผู้เดียวมีความสำคัญในกิจต่างๆด้วยประการดังกล่ามานี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญเติบโตขึ้นแก่พระพานนั้นตันหาความทะยานอยากก็เจริญเติบโตขึ้น ส่วนวิปัสสนามักและผลไม่เจริญขึ้นเลยมีแต่เสื่อมคำอธิบายของพระอาตถกตาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งพอแล้วจึงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกพระพุทธภาสิตนี้พระาศาสดาตรัสที่เชตวนารามเบืองสาวัตถีทรงปรารพระสุธรรมเทระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเกิดขึ้นในมัชิกาสันธนคร จบที่เมืองสาวัตถีจิตตะคหบดีชาวเมืองมัชชิกาสันเห็นพระมหานามหนึ่งในบรรดาภิกษุปัญจวคีแล้วเกิดเลื่อมใสในอิริยบทของท่านจึงรับบาทนิมนเข้าไปฉันในเรือนของตนสดับธรรมกถาแล้วบรรลุโสดาปฏิผลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงหลังน้ำในมือของพระเถระถวายอุทยาน ชื่ออัมพาตะกะวันให้เป็นสังคารามจิตกะบอดีได้สร้างวิหารใหญ่วงเล็บวิหารเท่ากับที่อยู่ของพระในอุทยานไว้ต้อนรับสงฆ์ซึ่งมาจากทิศทั้งสี่ครั้งนั้นพระสุธรรมเถระเป็นเจ้าอาวาสในมัชชิกาสันนั้นการต่อมาพระอัครสาวกทั้งสองได้สดับ คุณนกถาพรรณนาความดีของจิตตะคะหบดีแล้วปาราตนาจะสงเคราะห์คะหบดีนั้นจึงไปสู่มัตจิกาสันคหบดีทราบการมาของพระอรหสสาวกแล้วไปต้อนรับในระยะทางครึ่งโยดให้พระอรหสสาวกพักณวิหารของตนที่อัมพาตกะวันทำอาคารตุกวัตทุกอย่างแล้วอ้อนวอนขอฟังธรรมกถา พระสารีบุตรกล่าวว่าอาตามาภาพทั้งสองเด็ดเหนื่อยเพราะมาจากทางไกลขอท่านจงฟังเพียงเล็กน้อยเถิดดังนี้แล้วกล่าวธรรมกถาเพียงเล็กน้อยข้าบอดีฟังแล้วบรรลุานาคามิผลเขาอาราธนาพระเถระทั้งสองให้ฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระทั้งสองรับแล้วจึงไปนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสพระสุธรรมโกรธ ว่ามานิมนต์ตนภายหลังจึงไม่ยอมรับนิมนต์แม้อุบาสกจะนิมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ปฏิเสธเสียอุบาสกกล่าวว่าท่านจะปรากฏด้วยกรรมของท่านเองดังนี้แล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นขหาบดีจัดทานใหญ่ในเรือนตนเวลาใกล้รุ่งพระสุธรรมคิดว่าขหาบดีจัดสการะอย่างไรหนอ เพื่อพระอัครสาวกทั้งสองเราจักไปดูได้ถือบาทและจีวรไปยังเรือนของขหะบอดีตั้งแต่เช้าตรู่ขหะบอดีนิมนต์ให้นั่งก็ไม่นั่งบอกว่าจะเที่ยวบินทบาดฉันแล้วตรวจดูสการะทยธรรมใครจะเสียดสีถึงชาติตระกูลของขหะบอดีจึงกล่าวว่าขหะบอดีสการะทยธรรมของท่านนั้นล้นเหลือยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้น อะไรเล่าพระคุณเจ้าขนมแดกงาวงเล็บขนมคลุกงาขนมแดกงาขะบดีจิตตะขะหบดีฟังแล้วรู้ว่าพระสุธรรมกระทบตนในเรื่องชาติตระกูลจึงกล่าวว่าพระสุธรรมนั้นเป็นผู้กล้าเพียงดังกาไม่มีมารยาทและสมบัติผู้ดีพระสุธรรมกโกรธบอกคืนอาวาสแล้วหลีกไป คือไม่ยอมรับเป็นเจ้าอาวาสในอารามที่จิตตะคบอดีสร้างพระสุธรรมไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลเรื่องราวทั้งปวงให้สงทราบ พ, พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตตะคาบอดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเหตุไรเธอจึงด่าเขาด้วยคำเลวทรงปรับโทษพระสุธรรมนั้นรับสั่งให้สงลงปฏิสารนิยกรรมคือทาให้ระลึกถึงความผิดของตน แกเธอแล้วให้กลับไปขอโทษจิตตะคะบอดีแต่คะบอดีไม่ยอมยกโทษให้จึงเกอ้อเขินกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาอีกพระพุทธองค์ทรงทราบเหมือนกันว่าคะบอดีจกไม่ยกโทษให้แต่ทรงประสงค์จะทำลายความกระด้างเพราะมานะของพระสุธรรมจึงรับสั่งให้กลับไปอีกพระสุธรรมต้องเดินทางอีกสามโยศพระศาสดามิได้ตัดบอกอุบายที่จะให้คะบอดียกโทษให้ เมื่อพระสุธรรมกลับมาในครั้งหลังทรงทราบว่าทิฐิมานะของพระสุธรรมสิ้นแล้วจึงทรงมอบภิกษุอนุทูตภิกษุอนุทูตคือตัวแทนเจรจาความเพื่อให้ตกลงกันได้รูปหนึ่งให้ไปกับพระสุธรรมและตรัสสอนพระสุธรรมด้วยพระพุทธพจน์ว่าสมณะไม่ควรมีมานะและความริษยาว่าวิหารของเรา อุบาสกอุบาสิกาของเราเมื่อทาดังนี้กิเลสย่อมเจริญขึ้นเป็นต้นและได้ตัดพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแต่เบื้องต้นนั้นแล้วพระสุธรรมฟังพระโอวาทแห่งพระาศาสดาแล้วถวายบังคมลุกจากอาสนะกระทาประทักษิณแล้วไปหาจิตตะฆาบอดีกับภิกษุอนุทูตนันปลงอาบัติต่อหน้าของจิตตบอดีขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกยกโทษให้และกล่าวว่า หากโทษของเขามีอยู่ก็ขอให้พระสุธรรมยกโทษให้ด้วยเรื่องก็สงบลงพระสุธรรมนั้นปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วล่วงไปเพียงสองสามวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาฝ่ายจิตตะคะบอดีคิดว่าเราได้บรรลุโสดาปฏิผลและอนาคามิผลโดยที่ไม่ได้เคยเฝ้าพระศาสดาเลย เราควรไปเฝ้าพระาศาสดาดังนี้แล้วเตรียมของเป็นอันมากพร้อมด้วยอุบาสกบริวารห้าร้ออุบาสิกาห้าร้อวงเล็บและมีภิกษุภิกษุณีเพศละห้าร้อยขออาศัยไปด้วยไปเฝ้าพระาศาสดาณเชตวันมหาวิหารพระาศาสดาตรัสกับพระอาหนุนว่าเมื่อจิตตะาบอดีมาไหวเราวันนี้จะมีปาฏิหาริเกิดขึ้น คือจะมีฝนดอกไม้ห้าสีตกลงด้วยอนุภาพปุญของอุบาสกนั้นมหาชนได้ทราบข่าวนั้นจึงพากันมาคอยดูอยู่เป็นอันมากแน่นขนัดทั้งสองข้างทางคนทั้งหลายได้นำบรรณาการมาเพื่อขหะบอดีนั้นขณะที่เฝ้าพระาศาสดาฝนดอกไม้ห้าสีก็ตกลงเสียงชัยโยโหร้องกึกกล้องไปทั่วบริเวณนั้นขหะบอดีอยู่ในสำนักพระาศาสดาเดือนหนึ่ง ได้เลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีคนนำของมาช่วยมากมายจนของที่จิตตคะบอดีเตรียมมาสำหรับเลี้ยงพระหนึ่งเดือนนั้นเหลือและได้ถวายไว้ที่วัดเชตวันทั้งหมดพระอานนทุนถามพระาศาสดาว่าจิตตคะบอดีมีบริวารมากมีคนเคารพนับถือและยกย่องมากมีสการะมากเฉพาะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือ หรือเมื่อไปที่อื่นก็ได้รับการบูชาสการะเช่นนี้เหมือนกันหรือพระาศาสดาตรัสว่าดูก่อนอานน์จิตตคหบอดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ตามไปที่อื่นๆก็ตามสการะสัมมาณะย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะเขาเป็นผู้มีศรัทธามีศีลสมบูรณ์มียศและมีโภคะพระอานนทูล ถ, ถามถึงบุพกรรมของจิตตคหะบอดีพระาศาสดาตรัสเล่าว่า จิตตะคหาบอดีนี้มีบุญญาธิการและอภิิหารอันได้ทำไว้แล้วแทบบาดมูลแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปฐุมุตตะท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเขาได้เกิดเป็นพรานเนื้อวันหนึ่งขณะฝนตกเขาถือหอกออกป่าเพื่อล่าเนื้อตรวจดูหมูเนื้ออยู่ เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคุมศีษะอยู่ที่เงื้อมแห่งหนึ่งมีจิตเลื่อมใสรีบกลับไปยังเรือนให้คนปิ้งเนื้อและหุงข้าวโดยเร็วเมื่อเห็นภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรู ป, ปอื่นอีนอกก็รับบาสนิมนให้นั่งแล้วสั่งคนอื่นให้เลี้ยงดูส่วนตนรีบเตรียมอาหารคือเนื้อปิ้งและข้าวใส่ตะก้าแล้วเดินไปเพื่อถวายพระในป่าเก็บดอกไม้ในระหว่างทางไปบูชาด้วย เขาถวายอาหารแล้วอธิษฐานว่าด้วยอาณิสงฆ์แห่งอาหารและการบูชานี้ขอบรรณาการจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและดอกไม้ห้าสีจงบังเกิดมีในที่ที่ข้าพเจ้าไปด้วยเขาบำเพ็ญกุศลตลอดชีวิตเกิดในเทวโลกฝนแห่งดอกไม้ทิพย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ฝนดอกไม้ก็ตกในวันที่เขาเกิดเมื่อมาที่นี้คือมาเฝ้าพระศาสดา บรรณาการเกิดขึ้นแก่เขาเป็นอันมากฝนแห่งดอกไม้ห้าสีก็ตกลงเพราะผลแห่งกรรมอันเขาทำแล้วในการนั้นข้อที่15ข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานพระพุทธภาษิตอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญานิพพานาคามิเนเอวะเมตังอภิญญายะ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 พระอธกษตริยาจารย์อธิบายไว้ว่าเมื่อต้องการให้ลาบเกิดขึ้นบางทีภิกษุต้องประพฤตินอกลู่นอกทางบ้างต้องประพฤติทุจริตทางกายบ้างต้องยอมทําอกุศลกรรมบ้างท่านเปรียบเทียบว่าเมื่อย่อนมือลงตรงๆในข้าวต้มหรือข้าวสวยเมื่อดึงมือขึ้นมือเพียงเปื้อนเท่านั้นไม่มีข้าวต้มหรือข้าวสวยติดขึ้นมา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 ผู้เป็นพระหูสูตรผู้มีบริวารมากผู้อยู่ป่าเป็นต้นภิกษุบําเพ็ญปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานควรเว้นอาการหลอกลวงเพื่อให้ลาบเกิดขึ้นเสียไม่ใช่คนบอดก็ทําเป็นเหมือนบอดไม่ใบไม่หนวกก็ทําเป็นเสมือนใบเหมือนหนวกไม่โอ้อวดไม่มีมายาละความพอใจในลาบสการะเสีย พ, พ่อพูนวิเวกให้เกิดในใจวิเวกนั้นมีสามคือ กายวิเวกสงัดกาย 1. จิตตวิเวกสงัดจิตหนึ่งอุปัติวิเวกสังัดกิเลสหนึ่งการอยู่โดดเดี่ยวเว้นการคุกคลีด้วยหมู่คณะชื่อว่ากายวิเวกสมาบัติ8ชื่อว่าจิตตวิเวกพระนิพพานชื่อว่าอุปัติวิเวกกายวิเวกบรรเทาความคุกคลีด้วยหมู่คณะจิตตวิเวกบรรเทาความหมักหมมด้วยกิเลสอุปัิวิเวกบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขาร กายวิเวกเป็นปัจจัยแห่งจิตะจตะวิเวกจิตตะวิเวกเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวกสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวว่ากายยวิเวกของภิกษุผู้มีกายสงบแล้วย่อมยินดียิ่งในการบวชจิตตะวิเวกของผู้มีจิตบริสุทธ์ย่อมถึงความผ่องแผ้วเป็นอย่างยิ่งและอุปธิวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิย่อมถึงพระนิพพาน ภิกษุพึงยินดีพอใจพอกพูนวิเวกทั้งสามนี้คำอธิบายของพระอัธกต า, าจารย์นว่าแจ่มแจ้งดีแล้วจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มอะไรอีกพระาศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารพะติสะเทระผู้อยู่ในป่ามีเรื่องย่อดังนี้ในกรุงราชครมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเสน เป็นเพื่อนกับปิดาพระสารีบุตรเคยมั่งคัง่งแต่มาภายหลังยากจนลงวันหนึ่งพระสารีบุตรมาบินธบาต ท, ที่บ้านด้วยตั้งใจจะอนุเคราะห์แต่มหาเสนพรามหมลบหน้าเสียเพราะไม่มีอะไรถวายทำอยู่อย่างนี้หลายครั้งต่อมาวันหนึ่งเขาได้ถาดเต็มด้วยข้าวปลาญาตและผ้าเนื้อหยาบในที่บอกละทิแห่งหนึ่งพอกลับถึงเรือนก็นึกถึงพระสารีบุตร อยากถวายวันนั้นพระสารีบุตรออกจากสมาบัติพิจารณาอยู่เห็นพยาธรรมของพราม์แล้วต้องการสงเคราะห์จึงไปยังที่นั้นพราหม์ได้ถวายข้าวปลายาตและผ้าทั้งหมดพระเถระฉันข้าวปลายาตที่บ้านของพราม์นั่นเองเมื่อพระเถระฉันเสร็จพราม์ได้กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุด้วยเถิด พระสารีบุตรอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดพราหมณ์แล้วหลีกไปพราหมณ์นั้นถวายทานแล้วมีปีติปราโมทย์อย่างยิ่งและมีความสเสน่หาในพระเถระเหลือประมาณเพราะเหตุนั้นเขาทํากาละแล้วไปเกิดในสกุลอุปถากของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีขณะทั้งครนภมารดาของเขาแพ้ท้องต้องการนุ่งห่มผ้ากาสาวะ และถวายข้าวมทุปปายาติแก่พระสงฆ์หรอยอาการแพ้ท้องอย่างนี้ว่ากันว่าเป็นบุพนิมิตว่าบุตรจะได้บวชในพระพุทธศาสนาพวกญาติได้จัดให้นางได้ถวายข้าวมัทุปายาติแก่พระสงฆ์หรอยมีพระสารีบุตรเป็นประธานและนางได้นุ่งห่มผ้ากาสาวะในขณะถวายฐานนั้นความแพ้ท้องได้สงบลง ในวันคล้ายวันเกิดพวกญาติทำพิธีมงคลอีกได้ให้เด็กนั้นนอนบนผ้ากาพลผ้ากาพลคือผ้าขนสัตว์ผ้ากาพลอย่างดีราคาแสนหนึ่งเขานอนบนผ้ากาพลแลดูพระเถระแล้วจำได้คิดว่าเราได้สมบัติเ็นปานนี้เพราะอาศัยพระเถระจึงต้องการถวายผ้ากาพลของตนแก่ท่านเพราะฉะนั้น เมื่อมานดานำทารกมาไหว้พระเถระเขาเกี่ยวเอาผ้ากำพลไหว้ด้วยนิ้วก้อยแล้วทำให้ตกลงตรงหน้าพระเถระนั่นเองพวกญาติญาติของเด็กชอบใจไม่ได้คิดว่าเด็กทำไปโดยไร้เดียงสาแต่คิดว่าเด็กเจตนาถวายผ้าแก่พระเถระจึงกล่าวว่าขอถวายผ้าผืนนี้แก่ท่านขอได้โปรดรับไปใช้เถิด มารดาเลื่อมสายพระสารีบุตรมากจึงตั้งชื่อบุตรว่าติดสะเหมือนพระสารีบุตรเมื่อท่านเป็นครือขัดคืออุปติสะเมื่ออายุเด็กติดสะนั้นได้เจ็ดขวบก็ออกบวชเป็นสามเณรในสำนักพระสารีบุตรนั่นเองสามเณรติดสะนั้นมีกุศลผลทานอันทำไว้ดีแล้วจึงเป็นผู้มีลาภมากมีคนรักมากเมื่อทราบว่าสามเณรจะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี ก็เตรียมอาหารและผ้าเป็นอันมากคอยดักถวายสามเณรได้ผ้าสาดกเป็นจํานวนพันผืนในระยะเวลาเพียงสองวันเท่านั้นเธอได้ถวายแก่ภิกษุผู้ขัดสนต่อไปอีกการที่สามเณรมีลาบคืออาหารและผ้าเหลือเฟือนี้ท่านว่าเป็นอานิสงส์แห่งการถวายอาหารและผ้าสาดกเนื้อหยาบแก่พระสารีบุตรในชาติที่เป็นมหาเสนพราหมณ์ วันหนึ่งในฤดูหนาวสามเณรเที่ยวเดินไปในวิหารเห็นภิกษุหลายรูปนั่งผิงไฟอยู่สามเณรถามว่าทาไมจึงต้องผิงไฟภิกษุทั้งหลายตอบว่าเพราะหนาวสามเณรบอกว่าเมื่อหนาวก็ควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลกันหนาวได้ภิกษุทั้งหลายพูดว่าสามเณรมีบุญมากมีผ้ากำพลห่มส่วนพวกตนไม่มีบุญจะเอาผ้ากำพลมาจากไหน สามเณรจึงกล่าวว่ามาเถิดท่านผู้เจริญจงตามกระผมไปท่านทั้งหลายจะได้ผ้ากำพลตามต้องการในตำนานเล่าว่าภิกษุผู้ต้องการผ้ากำพลติดตามสามเณรไปถึงหนึ่งพันรูปสามเณรพาภิกษุเหล่านั้นไปนอกเมืองสาวัตถีและในเมืองสาวัตถีประชาชนเห็นสามเณรไปเพื่อต้องการผ้ากำพลถวายพระ ก็พากันนําผ้ากําพลออกมาถวายจนครบจํานวนพันเพียงวันเดียวเท่านั้นแม้แต่คนตาหนีที่สุดไม่ต้องการถวายแต่พอเห็นสามเณรก็อดถวายไม่ได้ต่อมาสามเณรเห็นว่าอยู่ในวัดเชตวันไม่ค่อยสงบนักเพราะมีผู้คนไปมาหาสู่เสมอไม่ขาดได้จึงทูลลาพระาศาสดาไปอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากวัดเชตวันถึง120่ยยี่โยตอุบาสกผู้หนึ่ง อยู่ปากทางเห็นสามเณรแล้วเกิดความรักความเลื่อมใสพาสามเณรไปในวิหารคือที่อยู่อาศัยของภิกษุอันตั้งอยู่ในป่าแล้วนิมนต์ให้ออกไปรับบิณฑบาต ท, ที่หมู่บ้านของพวกตนทุกๆเชา้าเขาออกจากป่าแล้วมาเที่ยวป่าประกาศชาวบ้านว่าสามเณรนวนวาสีติสสะมาอยู่ที่นี่แล้วขอให้เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ถวายท่านด้วย ตอนเช้าเมื่อสามเณรออกจากป่าไปบินธบาทก็มีคนศรัทธาถวายกันมากถวายแล้วก็ไม่กลับเรือนยืนมองดูสามเณรอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อและหมอบลงแทบเท้าของสามเณรแล้ววิงวอนให้อยู่จำพรรษาณที่นั้นพวกเขาจะรับสารณะสรับศีลห้าศีล8และศีลุโบสถตามสมควรสามเณรรับว่าจะอยู่จำพรรษาที่นั่น และให้พรมนุษย์เหล่านั้นขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดทุกครั้งที่มีผู้ศรัทธาถวายของสามเณรจะกล่าวเพียงเท่านี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรและพระสาวกผู้ใหญ่ไปเยี่ยมสามเณรกันมากได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านซึ่งเป็นอุปถาของสามเณรเป็นอย่างดีและขอฟังธรรมจากพระเถระมีพระสารีบุตรเป็นต้นพระสารีบุตรจึงบอกให้สามเณรแสดงธรรม แต่พ่อุบาสกุบาสิกาลุกขึ้นพร้อมกันแล้วเรียนให้ภาษารีบุตรทราบว่าสามเณรไม่เคยพูดอะไรอื่นเลยนอกจากขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดเพราะฉะนั้นขอให้พระเทระรูปอื่นแสดงธรรมเถิดอย่ากให้สามเณรแสดงเลยภาษารีบุตรจึงให้สามเณรอธิบายให้อุบาสกุบาสิกาทั้งหลายฟังว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุข ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์สามเณรกล่าวธรรมกถาได้อย่างไพเราะพิสดารในหัวข้อเรื่องว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์และสรุปลงว่าผู้บรรลุอรหัตแล้วชื่อว่าเป็นผู้ถึงความสุขและพ้นจากทุกข์คนนอกนั้นยังไม่ชื่อว่าพ้นจากทุกข์พระเถระอนุโมธนาในธรรมกถาของสามเณร แล้วให้ว่าสรรพันยะต่อสามเณรก็ว่าได้อย่างคล่องแคล่วและไพเราะประชาชนผู้ฟังแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งติเตียนสามเณรว่ามีความรู้ความสามารถดีถึงขนาดนี้แต่ไม่เคยแสดงธรรมให้ผู้ปถากผู้มีอุปการะฟังเลยอีกพวกหนึ่งสรรเสริญและเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกได้ทรงทราบเหตุนั้นแล้ว ทรงดำริว่าหากไม่เสด็จไปพวกที่ไม่พอใจสามเณรจะตกนรกจึงเสด็จไปยังที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายมีใจร่าเริงยินดีที่ได้เห็นพระตถาคตเจ้าโดยไม่ได้คาดหมายได้ชวนกันถวายยาคูและพัดเป็นอันมากแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อสวยเสร็จแล้วพระาศาสดาทรงอนุโมทนาว่าเป็นลาบของท่านทั้งหลายแล้วที่พระอสิติมหาสาวกมาที่นี่ และเราก็มาที่นี่เพราะสามเณรติดสะเป็นต้นเหตุท่านทั้งหลายได้ดีแล้วเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีทั่วหน้ากันพวกที่โกรธสามเณรก็กลับยินดีปรีดาพวกที่ยินดีอยู่แล้วก็เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นเมื่อจบอนุโมทนามหาสนได้สำเร็จอริยผลเป็นอันมากพระาศาสดาเสด็จกลับกับสามเณรตรัสถามถึงสถานที่ต่างๆในระหว่างทาง สามเณรกราบถูนถูกต้องหมดทุกอย่างจนกระทั่งเสด็จถึงที่อยู่ของสามเณรเสด็จขึ้นสู่ยอดเขาทอดพระเนตรเห็นมหาสมุทรตรัด ถ, ถามสามเณรว่าคิดอย่างไรเมื่อเห็นมหาสมุทรสามเณรถูนว่าเมื่อร้องให้อยู่ในสังสารวัตน้ำตามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระาศาสดาตรัตอนุโมธนาว่าถูกต้องแล้วเมื่อถึงเนื้อแห่งภูเขาพระศาสดาตรัดถามว่า คิดอย่างไรสามเณรสามเณรทูลตอบว่าสถานที่ทิ้งสรีระของบุคคลผู้ตายแล้วตายเล่าอยู่ในสังสารวัฏนี้กำหนดไม่ได้พระาศาสดาทรงอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วและตัดต่อไปว่าพรามชื่ออุปปสาละหกะถูกเผาตรงนี้ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันครั้งสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกสัจจะหนึ่งทหนึ่ง อาหิงสาหนึ่งสัญญะหนึ่งธรมะหนึ่ ง, ม, งมีอยู่ที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นนั้นดังนี้พระศาสดาตรัสถามสามาเณรว่าอยู่ในป่าเช่นนี้ไม่กลัวเสียงสัตว์หรือสามาเณรทูลว่าไม่กลัวการได้ยินเสียงสัตว์ทำให้มีความพอใจในเสนาสนะป่ามากขึ้นเมื่อพระศาสดาจะเสด็จกลับสู่เชตวันารามตรัสถามสามาเณรว่าจะไปด้วย หรือจะกลับสู่ที่ของตนสามเณรทูลว่าแล้วแต่พระอุปชาคือพระสารีบุตรแต่อัธยาศัยของเธอใครจะกลับพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยนั้นจึงกล่าวว่าติดสะท้่าเธอปรารถนาจะกลับก็จงกลับเถิดสามเณรถวายบังคมพระศาสดาและไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วกลับสู่ที่อยู่ของตนพระศาสดากลับเชตวันวิหาร วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าสามเณรติดสระทำสิ่งที่ทำได้ยากสละลาบสการะเป็นอันมากในบ้านเมืองเสียแล้วเข้าไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวฉันอาหารที่คุกเข้ากันพระศาสดาสเดสดสูธรรมสภาทรงทราบการสนทนานั้นแล้วตรัสว่าปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาบเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันใหถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอาทิมีนัยยะ ดังพรนนานามาไว้แล้วดังนี้แหลวรกที่ห้าเรียกว่าผ่านละวัคควันนานารวมส5้าเรื่องจบเพียงเท่านี้การก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้นเป็นพร อ, อันประเสริฐของชีวิตข้าพระเจ้าเชื่อว่าไม่มีทางใดจะให้ความสุขความร่มเย็นแก่ชีวิต เท่าทางแห่งความดีนี่เป็นคำของผู้รจนาก็าเป็นอันว่าทางแห่งความดีที่เราได้รับฟังกันมาก็เ อ, เอาวสารสิ้นสุดลงในวันนี้ก็หวังว่าความดีที่เราได้ยินได้ฟังก็คงจะเป็นเครื่องประดับจิตใจของพวกเราทั้งหลายเนย อย่างน้อยได้ขอคิดได้ขอ้อธรรมนำไปคบคิดพิจารณาปรับปรุงพัฒนาปฏิปทาของต น, นให้เจริญขึ้ น, นก็จะเป็นความดียิ่งขึ้นความดีอันนี้ก็จะนำไปสู่ความดีอันสูงสุดคือความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวงจึงขออนุโมทนากับทุกทันทีได้รับฟังมาโดยตลอด อิยังธรรมะกะถาสาทายสมันเตหิสันละเกตปพาติ พอคิดเตือนใจได้หลายอย่างได้ห ล, หลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นจิตใจทั้งส่วนที่เป็นกิเลสที่เจือด้วยกิเลสและอาสวะและจิตใจเพื่อปฏิบัติเพื่อนำพาไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดในธรรมบทนี้ก็ได้กล่าวไว้หลากหลายให้เราได้สดับ ได้พิจารณาตั้งแต่คนอายุน้อยไปถึงคนอายุมากเนี่ยสามเณรก็ฟังให้ดีต้องเอาตัวอย่างติดสะสามเณรเขาภาวนาอย่างไรใช่ไหมล่ะแต่เขามีบุญนี่ัตถสงสารนี่หาที่สุดท้าประมาณไม่ได้นี่สามเณรนี้ แต่ก่อนเนะี่ยเป็นเพื่อนของพ่อภาษารีบุตรเห็นไหมนะด้วยความไม่แน่นอนของวตสงสารเคยเป็นคนมั่งมีสีสุขแต่สุดท้ายก็กลายเป็นคนยากจนเขินใจแต่ด้วยความเรื่มใสความรักใช่ไหมครัความรั ก, ค ว, รกความรักในภาษารีบุตรซึ่งฉันจะดูแล้วก็เหมือนเหมือนกับเป็นเป็นบุตรของตนนะนะ ถ้าจะพูดภาษาส ม, มัยปัจจุบันก็คือเพราะว่าพ่อของท่านก็เป็นสหายที่รักกันเนี่ยเพราะสหายน่ก็คือเหมือนกับบิดาดันั้นจึงเกิดความรักในภาษาฤาษีเนีเวลาท่านไปบินธบาตไปแล้วไปเราก็หลบหน้าไม่มีอะไรจะใส่บารให้อายทาั้งๆที่อยากจะให้สงสารก็สงสารไม่มีอะไรจะใส่น จนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปทำพิธีกรรมโดยเข้าเป็นพรามเนี่ยพรามก็มีหน้าที่เหมือนอินดูเนี่ยทำพิธีกรรมเนี่ยก็ได้อาหารได้พามาก็เลยนึกถึงภาษาริบุตรเนี่ยด้วยความรักในท่านก็เลยตั้งใจไปถวายท่านเนี่ยแล้วก็ตั้งความปรารถนาเนี่ยว่าท่านบนรรลุธรรมอใดขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมนั้นด้วยเนี่ย ด้วยความผูกพันจิตผูกพันอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตด้วยเหมือนกันนะจิตที่มีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องมันไม่ไปไหนเนี่ยวนเวียนอยู่แถวนั่นแหละสุดท้ายไปเกิดในตระกูลอุปถาของพระสารีบุตรเองเห็นไหมแต่ว่าเขาเขาไปด้วยบุญนะเกิดก็ เ, เกิดเป็นมนุษย์เกิดในทางที่ดีจิตใจด้วยฝักฝ่ในการบุญพ่อไปเกิดเนี่ย บานดาแพ้ท้องแพ้ท้องแปลกประหลาดอยากขมผ้ากาสาวพัดเรียกว่าอยากบวชได้ไม่แหละอยากบวชนอยู่ในท้องก็มีอนุภาพมีอนุสงมอาอนิสงเนี่ยต้องทําพิธีทําบุญเนี่ยถวายทานเนี่ยอยากถวายทานอยากใส่ผ้ากาสาวพัดด้วยแรงบุญของเด็กในท้องเนี่ยนางก็ต้องใส่ผ้ากาสาวพัดแล้วก็ถวายทานเนี่ย คลอดออกมาแล้วก็ยังต้องทําบุญในลักษณะเดียวกันนี่คือคนมีบุญไปเกิดจิตใจฝักใฝ่ในบรรพชาในการบวชนี่เขาไม่เกี่ยวข้องกับโลกตั้งแต่เล็กๆเลยด้วยปัิสัยปัจจัยที่สั่งสมมาไม่เหมือนเราได้บวชมาแล้วก็อยากจะออกมาดีแล้วก็อยากจะออกแล้วก็ไปสูงแล้วก็อยากลงต่ำํำ ไม่รู้คิดยังไงคิดทวนกันไปทวนกันมาเนี่ยเขอกเออไมอ่ในเพศอันประเสริฐแล้วเนี่ยเหมือนกับยกจากหลุมมุดหลุมคูดท่านอุปมาอย่างนี้เลยนะท่านบอกว่าภาวะของคนของมนุษย์เนี่ยคุกคีอยู่กับสิ่งสกปกเ่เทวดาเขาจะอุปมาเหมือนกับอยู่ในหลุมมุดหลุมคูด เทวดาเขาไม่อยากมาเป็นมนุษย์อีกนะมันเขาว่ามันเหนม็นเขาเป็นเหม็นมันโสกผกนั่นเองเนี่ยดันั้นเมื่อพ้นจากนั้นแล้วเขาไม่อยากมาอีกเลยดังนั้นพวกนั้นเน่ยเขามีบุญเขาได้เป็นเทวดาเขามีสติปัญญาเขาก็ไม่ประมาทเนี่ ย, เ, ยเขาไม่ทําเหตุเหตุที่จะนําตนไปสู่ความทุกข์<ม>เหตุที่จะนําตนไปสู่ภาวะที่แย่กว่านั้นเนี่ยแม้อตตภาพมนุษย์เขายังไม่อยากได้เลยเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเขาต้องเอา ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นเขาจึงบำเพ็ญกุศลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแม้จะพวกคนมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นไรก็เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐมีคุณธรรมเนี่ยบางนก็เลยแตกต่างกันอาจนั้นท่านจึงว่าเนี่ยเหมือนกับพลจากหลุมมูดหลุมคูดจะให้กลับลงไปอีกมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคนรู้จักเนี่ยว่ามูดคูดมันเปื้อนเนี่ยมันเปิดเนี่ย นี่การใช้คำนี้เพื่อให้เราได้คิดนี่เปื้อนอะไรเปื้อนอาสวะเปื้อนกิเลสตัณหานั่นแหละโอกาสที่มันจะเปื้อนมันมีเยอะเยอะมากเลยออกไปก็ไปเล่นกับตมเนาะไปเล่นกับโคลจะไม่ให้มันเปื้อนได้อย่างไรเนี่ยถึงเราไม่ไปลงเล่นแต่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาพระเจ้าประมาเหมือนกับเราจะช่วยมูตกหลุมโคดเนี่ยอย่างน้อยมันก็ ทำให้คนไปช่วยมันเปื้อนได้เพราะการดิ้นของมันเป็นว่าเห็นไหมนั่นเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก็เหมือนกัน เ, นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่มันเป็นกิเลสเนี่ยมันก็ทำให้เปื้อนเนี่เปื้อนจิตเปื้อนใจเราเนีถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีบา ร, รมีเพียงพอเนี่ยมันยากเหมือนกันนี่แต่จึงว่าชีวิตประเสริฐก็คือชีวิตพรหมจรรย์นเนี่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์นี่ก็คือชีวิต อย่างฆรวาดอย่างคนทั่วไปนแต่ธรรมชาติของจิตใจเนี่ยมันก็ไหลไปทางนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ห้ามได้ยากเนี่คนที่สั่งสมบุญเท่านั้นจึงจะมีอุปนิสัยเหมือนติดสามเณรนี <c oughs> ส่สร้างสมอุปนิสัยปัจจัยนี่ก็เลยมีปนิสัยมาทางนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนมีบุญนี่เป็นคนที่น่ารักน จำเป็นสามะเนรมีบุญมากเนี่ยไปที่ไหนคนก็รักเนี่ยไปที่ไหนก็อยากให้คนมีบุญ น, น, นี่อยากให้เลยเห็นหน้าเห็นตาโอ้อยากให้มีอะไรก็อยากให้ให้ด้วยใจด้วยเนให้ด้วยใจเนี่ให้แล้วดีใจแปลกเนี่ยให้ด้วยดีใจด้วยเนี่ยบางคนให้ไม่อยากให้ไม่พอใจด้วยแต่ว่าจำใจต้องให้ก็มีนี่มันต่างกันถ้าคนมีบุญเนี่ยให้แล้วก็มีความสุข แล้วอ่อนวนอยากให้อยู่อยากเห็นอยู่เรื่อยๆเนะี่ยทำไมมันเป็นบุญมันเป็นสุขเนะี่เหมือนเห็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะเห็นคนดีก็อยากจะให้อยู่เป็นสงา่าเป็นราศีเนี่ยนะอยู่บ้านก็อยากได้คนดีนะเนี่ยพมีคนดีไว้ประดับมันก็เหมือนแก้วประดับบ้านเนี่นะีนะ่ขาจึงอยากได้เนะีนะ่ยคนดีไปที่ไหนเขาก็รักเนะี่ย อันนี้อยู่ที่ความดำริหรือความตั้งใจของเราเอย่างนีงึต่ว่าถ้าเราศึกษาเราต้องตั้งใจศึกษาให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันถึงไม่ถึงที่สุดก็ให้มันรู้ให้มันรู้รทุกรู้โทษรู้อะไรควรจับไม่ควรจับควรไปไม่ควรไปให้มันรู้นอย่างน้นอยๆมันก็ได้ระแวดระวังได้ตั้งท่าดีๆหน่อย มันจะได้ไม่ตกหลุมลึกเกินไปเดี๋ยวตกมิดจะไม่มีอวัยวะเหลือนี่ไม่มีใครช่วยได้เลยเนี่พระเจ้าท่านุปมาณเหมือนพระเทวทัตเนี่ยทำชั่วมากจนกระทั้งว่าพระองค์อุปมาเหมือนกับสัตว์ที่มันตกลงในหลุมคูเนี่ไม่มีอวัยวะส่วนใดที่จะโผล่ขึ้นมาพอให้จับดึงขึ้นมาได้เลยมันมิดแล้วเกิ น, นก็เลยเป็นกรรมของเขา กรรมที่เขาทำเอาไว้นั่มันให้ผลเนี่ยแม้คนจะช่วยก็ช่วยไม่ได้เนี่ยนี่เหมือนคนทําชั่วเนี่ยได้รับโทษประหารชีวิตเนี่ยใครจะช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้เพราะกรรมมันให้ผลสุกงอมเนี่ยสุดท้ายก็ได้รับผลของกรรมเนี่ยสมกับที่ท่ว่าทํากรรมได้ไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยนี่ล้วนแต่เป็นคติเนี่ยคติเตือนใจเนย สารในพระไตปิฎกที่ท่านคัดสรรคัดลอกออกมานะเพื่อที่ให้เราได้ศึกษาเป็นคติเตือนใจประกอบกับการปฏิบัติเนเพราะท่านกล่าวไว้ทั้งหมดเนให้เราได้รู้ข้อปฏิบัติเ่ถ้าเรียนรู้ปฏิบัตินี่มันไม่เสียหายนะถ้ารู้แล้วเอาความรู้ไปในทาง ประพฤติไม่ดีนี่ก็เอาความรู้ไปแลกเอาลาบสการะอันิีมัก็ผิดทางนี่ใช้ความรู้แล้วเอาความรู้ใช้ไปทางที่ผิดนี่อย่างเรียนเพื่อจะเอายศถาบรรดาศักดิน์นี่เอายศเอาตำแหน่งเอาเกรดอะไรก็แล้วแต่นี่ซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ในการบรรประชาในการผสมบทนีแม้จะเรียนเราก็เรียนเพื่อความรู้นําไปปฏิบัตินี่ไม่ได้เรียนเพื่อจะให้ว่า แม่ได้นักทำรรตีแล้วก็หลงดีใจไงได้นักรรทัวก็ดีใจทําเอกก็ดีใจได้มหาก็ดีใจได้เป็นปริยนเขาเรียกมหายิ่งดีใจใหญ่ยิ่งหลงไปใหญ่เนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายรู้เพื่อความดับทุกข์หรือเพื่อปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีปฏิบัติเพื่อจันหลงพระศาสนาเพื่อรักษาศาสนาเอาความรู้นั้นมารักษาคําสอนของพุทธเจ้านั่นคือจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องเนี่ย เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงเรียนเพื่อเพื่อปฏิบัติศึกษาเพื่อนามาปฏิบัติเนี่ยนี่แม้อยู่กับครูบาอาจารย์เองท่านก็ใช้ตำราบ้างแต่ไม่ได้ใช้แบบจนฟั่นเฟือเอาเฉพาะข้อที่จะเป็นข้อเตือนใจให้การปฏิบัติให้เกิดความบริสุทธิ์อย่างตำราดูพระอย่างนี้ใช้ประจำตำราดูพระภิกษุนี่ผมมาบวชใหม่ๆ อยู่กับครูบาจารย์จะออกเที่ยวทุดงเนี่ยกลัวตนเองจะลืมต้องจดไว้ไม่มีหนังสือจดเอาไว้หัวข้อไหนที่มันกินใจดีดจดจดจดใส่สมุดไว้ใส่ย่ามไปด้วยเพราะบางทีเราอยู่ว่างๆเราก็เอามาอ่านดูเพิกเป็นข้อเตือนใจอย่างในน้อยจนจำได้แม่นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่แสบเผ็ หยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพา น, านอันกเกษมจากโยคะไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าเนี่ยนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้เลยเนะี่ยก็เป็นข้อเตือนใจเราได้อะไรมาเราก็เตือนตนเองเราจะไม่หลงเนะี่ยไม่หลงในลาบสการะเนะี่ยเสียงเยินยอก็ไม่หลงไม่ได้หลงเขาว่าโอ้ยท่านปฏิบัติดีเนาะก็ไม่ได้หลงเนะนี่ยเขาบอกว่าปฏิบัติดีเรก็ต้องมาดูเราอีกเนะนี่ยนี่เพราะเรามีทำเตือนใจเรามันดีมันเขาว่าไหม ถ้าไม่ดีเหมือนเขาว่ามันก็ต้องปรับปรุงเนี่ยนี่มันร้องพ่อชาแล้ว่าโอ้ยมันอายมันทุกข์มั น, มนอยากจะหนีไปนี่ทำไมเพราะว่าอาศัยผ้ากาสวพัพัแต่การปฏิบัติของเรายังไม่ดีเลยเนี่ยแต่ว่าเวลาไปบินบาดคนแก่หัวงอกหัวขาวนะปนมมือแล้วใส่บาทให้ใส่แล้วยังกาบยกมือท่วมหัวสาธุเนี่ย ถ้าไม่มีความดีสงสัยมันจะลงนรก เ, เวจีไหนไม่รู้ท่านบอกมันก็เลยเดือดร้อนมันบอกเดือดร้อนอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเราจะมาอยู่อย่างนี้ทำตามใจอะไรตามใจตามอยากทั้งหมดโอ้ยมันจะตกนรกนี่ น, นี่มันจะตายเป็นควายตู้ไถนาให้เขาท่านไว้อย่า ง, ง น, นั้นไปรับใช้เขานี่นั่นก็เป็นเหตุกระตุ้นเตือนใจนะฮะเตือนใจให้เราแอดระวังเนะอย่างนั้นถ้าเราศึกษา ในธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามันเป็นข้อเตือนใจนะตราบใดเราอยู่ในเพศภาวะอย่างนี้เราจะต้องเป็นผู้ที่มีสติไม่หลงในลาบสการะในเสียงเยินยอเนีเพราะมันเป็นอันตรายนี่ไม่ใช่ทางมรรคทางผลทางความสงบแต่มันเป็นทางแห่งความวุ่นวายเนี่ก็กลายเป็นเรื่องไปแข่งกับโลกเขาแข่งขราว่าดเขานีนี่รองพระชาเนีว่าเขาเลี้ยงหมูก็อยากเลี้ยงหมูขายกับเขาเลี้ยงไก่ก็อยากเลี้ยงไก่กับเขา เห็นทำนาได้ข้าวได้เงินก็อยากจะทำกับเขานสุดท้ายก็หมุนไปนะฮะแต่มันเป็นความคิดด้วยความคิดนี่ความคิดมันปรุงมันแต่งไปนั่นคือเราไม่ได้สำนึกไม่ได้สำเหนียกนะไม่ได้สำเหนียกในสมณสัญญาดังที่กล่าวแล้วนะฮะแ้่สมณสัญญานี่เป็นส่วนสำคัญนะถ้าอยากเป็นพระดีสามเณรดีเนีน่ย ก็ต้องมีความสํานึกในหน้าที่ของตนสํานึกโดยเฉพาะในเรื่องสัญญามันจะทําให้เราระวังระวังตัวความโลภเกิดขึ้นก็จะให้มันจะเตือนเราให้ระวังเอ้ยเราปฏิบัติเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อละความโลภไม่ใช่หรือเนี่ยมองดูผ้ากาสาวพัตถ์เนี่ยทงชัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะเกิดความละอายเตือนใจตนเองเนี่ยมันอยากโลภความโลภมก็จะลดลงโอ้ยเดียวไม่ได้ไม่ได้อายพระพุทธเจ้าไว้ โกรธขึ้นมาก็นึกถึงผ้านี่นึกถึงภาสรวรพัตน์นี่ยเราจะรู้อํานาจแห่งความโกรธมันไม่สมควรกับการคลองผ่าอากาศสรวรพัฒเลยเนี่นี่ข้อเตือนใจนี้ก็จะทำให้เราเนละความโลภละความโกรธนะท่นั้นการที่เราสํานึกในส่วนเป็นสัมณสัญญานี่จึงมีคุณมหาศาลนี่ถ้าไม่นึกมันลืมลืมแล้วความโลภเกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่เท่าทันก็รู้อํานาจแห่งความโลภนี่ ความโกรธขึ้นมาก็รู้ไม่ทันก็แสดงออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบางที่บางแข่งว่าจีวอนก็ไม่เห็นเลยนะยกจีวอนหยุดใส่กันยกแข่งยกขาขึ้นมาจีวอนพาดอยู่ก็มองไม่เห็นยนีย่คือมันมืดไงมืดด้วยอวิชชาด้วยโมหะนี่ยไปเจอที่หนึ่งโอ้โหเห็นแล้วสลดใจเลยทำไมไม่มองดูบางเนี่ยเขาว่า ผมไม่ใช่คนหมดกิเลสนะเขาว่านี่เรียกว่ายกเอากิเลสมาบูชาไม่ได้บูชาพระพุทธเจ้าเลยผ ม, มยังมีเผมก็ยังมีกิเลสมื่นกันน่จะเอายังไงล่ะสุดท้ายก็เห็นไปแลทะเลาะกันใส่กันปั้งปัทุสลายกันทั้งทั้งยิพ่าสาวพัทขุมอยู่ๆๆเห็นแล้วเรเศร้าใจมีครั้งหนึ่งไปวัดหนึ่งสมัยออกเดินเที่ยวไปพักอยู่กับเขา ไม่รู้เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรไปบินทบาทมาก็ตาคว้างกันอยู่แล้วแหละเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรุนแรงกันได้นึกว่าเขาในไหนเขาก็บวชแล้วก็น่าจะดีฮะน่าจะสํานึกได้บ้างแม้แต่โกรธมีบ้างก็น่าจะอดน่าจะทนได้แต่เปล่าเลยเนี่ยคงจะรุนแรงเนะี่ยสันเสร็จแล้วลงไปล้างบาทเนี่ยเราก็ลงไปล้างบาทนี่โห้ยมันเต็มที่เนะี่เต็มที่เราก็อยู่ตรงกลางเราไม่นึกว่าเขาจะ สวยเลยลูกมะพร้าวเนี่ยเปี้ยงมาต้งหัวเราพอดีดีว่าก้มลงทันมันจะเปี้ยงใส่คนตรงข้ามเนยพระยิ่ตรงข้ามเนี่ยโอ้โหเสียวเลยเราก็ไม่พูดไม่จาอะไรนะโ อ, โอ้สองสารโน่น่าสังเปิใจนะล้างบาเสร็ดก็กลับมาที่พักก็ไม่พูดไม่จาอนะไรเนี่ยเขาก็คงจะเห็นเห็นอาการนะะั้นเขาก็อ่อนลงบ้างเหมือนกันนะเนี่ยก็คำมืดเย็นมาครับ เห็นถือดอกไม้มาหาเพราะว่ามาขอขมาท่านหน่อยมาขอขมาอะไรเมื่อเช้านี่มันข่มอารมณ์ไม่ได้ควบกลุ่มอารมณ์ไม่ได้เลยแสดงกิริยาน่าเกลียดเขาบอกบอกดีนะมันไม่ตีกันทีเดียวนันี่คือไม่ได้สํานึกไม่ได้สําเนียกนะรู้สึกจะเอากันอยู่บ้างทุบสองทุบอยู่เหมือนกันทุบกันแล้วคือมัน โบโหจัดนะพอแยกกันจากกันโมโหมากคนหนึ่งก็จับลูกมะพร้พาเพี้ยงมาประดีหลบทันทีนี้ด้วยทิฏฐิมานะไก่เกลียกกันก็ไม่ได้เนี่ยนี่ต่างคนต่างเอาทิฏฐิมานะมาใส่เนะี่ยแล้วไม่เตือนเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ฟังนะนี่อํานาจของความโกรธอํานาจของกิเลสไม่ใช่เรื่องธรรมดานะทำให้เรานึกถึงพระโรมศาสดาเนะี่ยสมัยเมืองโกสัมพีพระภิกษุแตกกันก็อย่างนี้เหมือนกันเนะี่ย เพราะได้ว่า อ, อ, อ, อ, อาศัยความโกรธความโกรธครอบงํำจะกระทั่งว่าจะเอาแพ้เอาชนะให้เห็นดําเห็นแดงกันเลยพุทธเจ้าเตือนก็ไม่ฟังนนี้ก็เหมือนกัน เ, น เ, เราก็กับครูบาอาจารย์หลาท่านหลาองค์ก็เลยไก่เกลี่ยกันว่าเออเถ้าเรารู้สึกตัวถ้าอะไรมันพลาดไปแล้วเราก็มาไก่เกลี่ยกันซะ เ, นเพื่อให้มันเกิดความสงบ เขาก็ไม่ยอมนะบอกว่ามันมันต้องเอาผิดนคนผิดเขาต้องผิดเ่แล้วใครจะเป็นผู้ยอมรับผิดใครก็ว่าถูกทั้งนั้นเล ย, เยสุดท้ายก็ไม่ยอมไม่ยอมกันมาประชุมกันพูดแล้วก็ไม่ฟังบังเงินว่าหลวงพ่อใหญ่สมัยไปไปอยู่ที่นั่นก็มีหลวงพ่อใหญ่ท่านมาอยูย่ก็เลยบอกว่าบอกว่าเมื่อตกลงกันไม่ได้ พวกผมเนี่ยก็ไม่มีหน้าที่อะไรนะแต่เรื่องนี้เราพยายามที่จะไกลเกีย่ยแล้วเมื่อท่านทั้งสองไม่สามารถที่จะยอมกันได้นี่ก็ขอให้เรื่องนี้ถึงของหลวงพ่อใหญ่ก็แล้วกันเนี่ยแต่ถ้าผมไม่รับรองนะหลวงพ่อใหญ่เป็นเป็นพระที่เด็ดขาดนี่ท่านจะต้องโดนไล่ศึกทั้งสองรูปเลยแหละผมเดาไปเลยแหละนี่ท่านจะเอาแบบไหนก็เอาเนี่ยเอาคำนี้มารู้สึกอ่อนลงได้มอนกันไว้กลัว เพราะว่าให้ข้อคิดว่าท่านเข้ามานี่ท่านต้องการมาเอาบุญมาแสวงบุญเมื่อท่านมาทำช่วยอย่างนี้มันจะตราติดใจของท่านนะไม่เฉพาะท่านเท่านั้นนะออกไปญาติพี่น้องท่านจะเศร้าขนาดไหนเนี่ยบวชลูกบวชหลานหวังจะได้บุญแต่สุดท้ายต้องหาบาปไปฝากฝากญาติพี่น้องจะฝากเพื่อนสนิทมิสหายใครได้ยินได้ฟังก็เน่าไปหมดเลยนี่บอกว่าคิดให้ดีก็แล้วกัน สุดท้ายชายไม้นี้ก็เลยดีขึ้นยอมนี่คนเรามันทิฏฐิมานะนี่มันโอ้ยมันเหลือเกินแต่นั้นคำที่ว่าสัมณสัญญาเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจนี่มันขนาดไหนก็นึกถึงตอนนี้มันจะได้มีความอดทนอย่างน้อยๆก็เราก็ต้องกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกเช้าทุกค่ำนี่กราบท่านลำาลึกถึงท่านนี่แม้มันจะมีก็ต้องอดทนนความอดทนนี่เป็นการปฏิบัติบูชาเนี่ย ทนต่อความโลภความโกรธความหลงถ้าทนได้นั้นเป็นการบูชานะบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์และที่สำคัญเป็นการจันโลงพุทธศาสนาะให้มัน่นคงให้วัฒนาถาวอนนะนะด้วยการปฏิบัติของเรานะนะถ้าเราไม่คิดเราก็คิดว่าโยการเผยแพร่ศาสนานะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องเทศเรื่องสอนมันไม่ใชนะ่เรื่องเรานะเราก็เป็นผู้หนึ่งผูนะ้หนะึนะ่งเกี่ยวข้องกับ าศาสนาเนี่ยเราประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็ชื่อว่าเราเป็นผู้หนึ่งเนี่ยช่วยศาสนาจรรหลงพุทธศาสน า, าไว้เนี่ยจากนั้นเราจึงต้องสร้างจิตสํานึกโดยอาศัยความสําคัญว่าเราเป็นสมณะเราเป็นบรรพชิตเนี่ยเรามีผ้ากาสวัสดิ์มีธงใจของพุทธเจ้ามาครองไกาเนี่ยนี่มันก็จะเป็นข้อเตือนใจเนี่ย เน่เตืบว่าไปที่ไหนกลัวมันจะลืมก็เมื่อห่างครูบาอาจารย์ก็เลยต้องจดไปด้วยนี่จดคำเตือนใจข้อเตือนใจไปด้วยนี่บางครั้งก็จดหลายอย่างเลยหลายหัวข้อภิกษุมหาโจรก็จดไปเหมือนกันจนโจรอาศัยโนนอาศัยนี้อาศัยที่ซ่องสมอาศัยขรึมหะบอดีอาศัยคนมีอำนาจเนี่ยท่าเปรียบเทียบไปหมดนแล้วก็เปรียบเทียบกับภิกษุ ผู้ประพฤติไม่ดีเนี่ยเป็นคนลวงโลกหลอกลวงโลกอย่างนี้เนี่ยท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยอาศัยกำลังคือคนยอกย่องนับถือก็หลงตนเองเนี่ยแล้วอาศัยกำลังอำนาจนั้นแล้วก็มาขมขู่ภิกษุผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเหมือนที่ท่านกล่าวถึงวันนี้เห็นหมด้วยทิฏฐิมานะชื่อพระสุธรรมเนี่ยชื่อดีด้วยนะ สุธรรมทำดีด้วยสุแปลว่าดีทดําดีไม่ได้ทําเร็วนะแต่ประพฤติไม่ดีเนะี่ยก็ความรทิษยานี่แหละเนี่ยคือความตรหนะีเนี่ยตรนีแม้ในอาวาสตนีแม้ในตระกูลเนะนี่ยนี่อันนี้ก็จดไว้มันกันสมัยก่อนจดไว้แต่ว่ามัฉริยะมัฉริยะเนะี่อาวาสมัฉริยะนะลาภมัฉริยะเนะี่ย กุรมัชริยะธรรมมัชริยะเนี่ยวันนมัชริยะมี5อย่างเนี่นี่นี่สำหรับเจ้าอาวาสเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยวันนั้นหลวงพ่อสันเทเจ้าอาวาสต้องให้รู้นี่นะไม่ใช่ว่าผู้เป็นประธานเป็นเจ้าอาวาสนะผู้อยู่ในอาวาสคือเจ้าอาวาสทั้งนั้นเจ้าอาวาสเนี่ยบางทีก็หวงที่ หวงที่เนี่ยถ้าหวงที่เขาเรียกว่าอาวาทมัชริยะเนี่ยหวงที่หวงทางไม่อยากให้คนมาอยู่มาอาศัยเนี่ยก็มีหลายสาเหตุหลายปัจจัยเหมือนกันนะเมื่อมาอยู่แล้วก็จะเกิดราบสาการ์ักขึ้นมาเดี๋ยวไม่ไปก็ยุ่งเลยเว้ย <c oughs> มาย่งราบเรามึงสืบเนื่องไปตรงนั้นอีกเนี่ยาบอันหนึ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเยอะก็หลงติดในราบ กลายเป็นผู้สะสมสะสมลาบสการะนี่แล้วก็เกิดการหวงแหนขึ้นมาไม่สละไม่ให้ทานไม่เฉลี่ยไม่เจือจานไปนี่นี่ก็เรียกว่าเป็นลาภมัชริยะนี่กุลมัชริยะน่ตระกูลที่ศรัทธาเริ่มใสอุปทานนะไม่อยากให้คนอื่นมา แย่งเอาตระกูลไปเนี่เหมือนเรื่องที่เราฟังวันนี้เนี่ยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมาเพื่อสงเคราะห์ศรัทธาของคันจิตตะคะบดีนี่แต่ภิกษุเจ้าอาวาสเขมนเน่นคือไม่พอใจเกิดลิษสยาขึ้นมากลัวเขาจะไปเลื่อมสองค์อื่นมากกว่าตนนะเรื่องของเรื่องมันก็เลยเกิดมัจฉริยะความตณีขึ้นมาเนี่ย สุดท้ายก็ต้องมีโทษต้องตกนรกนะแต่ท่านก็มีบุญเหมือนกันนะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าเตือนแล้วเชื่อนะถ้าไม่เชื่อคงจะตกนรกหมกไม้อีกนานอยู่เหมือนกันเนะี่ยต้องให้ไปขอขมาโทษฆราวาสนี่มีข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งถ้าภิกษุ ป, ประพฤติไม่ดีเนะี่ยถ้าสงประกาศลงปฏิสารนิยกรรมนะนะั้นนหะเนี่ย คือให้สํานึกตนให้สํานึกในความผิดของตนแล้วไปขอโทษไปขอโทษคือไปขอโทษคนที่เขามีศรัทธาเขาเป็นคนดีมีศรัทธามั่นคงในศาสนาแต่เราไปทําให้เขาเสื่อมศรัทธานี่ต้องไปขอโทษเขาเห็นไหมนะพระองค์แกล้งเพให้รสทิฏฐิมานะกลัวว่ามันจะไม่จํำ ปล่อยให้ไปรู้ว่าเขาไม่ยกโทษให้ไปเขาก็ไม่ยกโทษให้จริงๆเขาก็ต้องการจะสอนเหมือนกันแหละเนี่ยกลับมาอีก น, นี่ต้องเดินไปตั้งหลายครั้งเลยตั้ง3โยตทแถลงสามโยตเนี่ยโยต์หนึ่งสิกิโล <c oughs> เดินกลับไปกลับมาจากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งจบที่เมืองสาบทีใช่ไหมลนะ่ะนั่นน่ยเพราะบอดีเนี่ยนะสุดท้ายเขายกโทษให้ถึง สํานึกเราสังเวทใจนี่ได้ปฏิบัติไใจบรรลุธรรม น, ะนี่ดังก้อความที่กิเลสบางทีแล้ปฏิบัติเพื่อจะละกิเลสแต่กิเลสตัวหนึ่มันก็แทรกขึ้นมานะบางทีมันต้องระวังอยู่ตลอดเวลานี่เหมืนอนหลวงปู่ชาท่านอุปมาเหมือนกับว่าเราคิดว่าเรารู้ดีนีแต่ความรู้ไม่ดีมันก็ค่อยๆแอบมาแอบอยู่ข้างๆความรู้ดีนั่นแหละนัน้องแอบจนบางทีมันท่วมหัวแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะี กิเลสมันงอกงามจนท่วมหัวนะนั่นก็คือเกิดทิฏฐิเกิดมานะขึ้นมาเพราะอาศัยความรู้เนะี่ยเหมือนต้นหญ้านะมันขึ้นกับต้นข้าวนะเราปลูกต้นข้าวดูแลต้นข้าวนะให้ปุ๋ยต้นข้าวแต่หญ้าก็ขึ้นด้วยเนะี่ถ้าเราไม่ฉลาดไม่ถอนหญ้าออกหญ้าก็ขึ้นงอกงามบางทีท่วมข้าวไปเลยเนะี่นั่นก็คือความรู้ดีกับความรู้ไม่ดีเนะี่ยมันแทรกกันโยะเนะี่ย เราคิดเรารู้ดีแต่ความรู้ไม่ดีมันก็แทรกๆอยู่นั่นแหละท่านบอกนะอาจารย์ท่านจึงว่าต้องรู้รอบคือมองดูข้างๆด้วยมีอะไรแทรกขึ้นมาหรือเปล่าจะได้ถอนมันออกนะอาสวะกิเลสทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันนะเราคิดว่าเราปฏิบัติเราเป็นพระนะเราเป็นผู้ปฏิบัตินะถ้าเราประมาทหลงว่าเราเป็นผู้ปฏิบัตินะว่าปฏิบัติ ด, ดีไอ้ความไม่ดีมันก็เลยแทรกขึ้นมาข้างๆนะกิเลสเนะี่ย บางโดยเฉพาะสิ่งที่มันละเอียดเป็นอนุัยบางทีมันก็มองไม่เห็นนะมันก็แอบขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนที่เราฟังนี่แหละมันก็เป็นลักษณะนั้นเนี่ยกว่าจะรู้บางทีมันก็สายเพศแล้วแต่นั้นท่านจึงให้ระวังให้มีสติคอยเตือนตนอยู่โดยอาศัยภากาสวรพัฒอาศัยความเป็นสมณะนี่คอยเตือนเนสมสมณะจึงเป็นเพศประเสริฐเห็นเพราะว่าเพศนี้มันช่วยเตือนสติ ถ้าเป็นโยมก็ปล่อยหมดปล่อยสติไปด้วยนี่เพราะไม่มีกรอบไม่มีวินยัยคอยบังคับเนืศีลก็ไม่ศีลห้าก็ไม่ครบไม่ว่าจะศีล8ปดอย่างงี้นี่แต่พระนี่ต้องมีศีลคอยเป็นเกราะป้องกั น, นให้เราแวดระวังเนี่ยจะเรียกว่าบอ บ, บางเลยล่ะ บ, บบางเนี่ยศีลสองรี่เเนี่ย เป็นกาป้องกันให้เกิดการสังวรให้เกิดการระวังคือป้องกันอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้มองเห็นจะได้พยายามปฏิบัติเพื่อเขีย่มันละมันออกไปนั่นก็คืออาศัยการเตือนตนด้วยสมณสัญญาเนี่ยนถึงจะเจริญว่างั้นเถอะถ้างั้นมันเจริญได้ยากเลยถ้าอยู่เฉยเฉยไม่ ไม่ภาวนาเนี่ยไม่ศึกษามันก็จเจริญได้ยากเหมือนกันเนี่ยถ้าศึกษาเนี่ยมันลึกซึ้งเลยธรรมะนี่ลึกซึ้งเลยถ้าอยู่วยเฉยไม่ได้นีอยู่เฉยเราจะไม่ลิ้มรสเลยก็จะกลายเป็นคนเลี้ยงโคเนี่ยให้แต่เขาเนี่ยไม่ไม่มีส่วนแห่งน้นํานมโคเลี้ยงโคให้เขารับจ้างเท่อนั้นเองนี้ก็เหมือนรับจ้างบวชเนี่ยรับจ้างบวช รับจ้างไงพ่อแม่อยากให้บวชก็เลยรับจ้างท่านถูกจ้างหรือเปล่าสามเณรถูกคงไม่ถูกจ้างนะอไปเห็นตามบ้านนอกหรอกบวชก็ได้แต่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ผมหน่อยดินั่นคือรับจ้างแล้วบอกว่าเอออยู่ก็ได้เอาทีวีมาให้ดูหน่อยบวชรับจ้างเป็นอย่างนั้นนะเอานู้นเอานี่มาให้หน่อย น, นี่นัแหละเขาเรียกว่า รับจ้างเลี้ยงโคนยะไม่มีส่วนแห่งน้ำนมโคเนะี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ยินดีในพรอมจรรย์ไม่ยินดีในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยความรู้ที่ยังไม่มีก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วก็หมดไปเนยะเพราะใจมันไม่อยู่เนะี่ยอันั้นต้องมีใจเนะี่ยมีใจรักให้มันเหมือนกับเป็นเจ้าของโคเนะี่ยคอยดูผงโค เป็นเจ้าของมีสวนแห่งน้ํานมโคเนะี่ยมีความสุขไม่ต้องไปดูแลโคจ้างคนดูก็ได้นะีคอยแต่รับผลของมันเนะี่ยน้ำน ม, มโคเนะี่ยนั่นคือจิตมันลงสู่สัมมาทิฏฐิไงจิตมีความเห็นชอบและสบายนะีถ้าตราบใดจิตไม่เห็นชอบมันทุกข์ <c oughs> ก็ต้องสู้กันก่อนเหมือนกับรับจ้างเขาไปก่อน <c oughs> ได้สวนบ้างเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆบางทีต้องซื้อเขาเอาถึงจะได้กินเนี่ย เอาส่วนที่รับจ้างเขาจซื้อเขาถึงจะได้กินเนี่ยนั่นคือถ้าจิตใจที่มันยังไม่ยอมรับนะมันก็เป็นลักษณะนั้นแต่ถ้ามันเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมามีความรับิดชอบปฏิบัติมันก็ไม่ทุกข์แล้วเนะี่ยปฏิบัติมีความสุขเหมือนเจ้าของโคนะก็จะนี้ไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนก็ไดนะ้ให้คนอื่นดูให้กลับมาก็ได้กินน้ํำนมโคเหลือแล้วได้ขายอีกได้กําไรเนะี่ย กินก็ได้กําไรก็มนีนี่มันมีสุขขนาดนั้นแล้วพระเจ้าจึงอุ ป, ปมาเปรียบเทียบเป็นไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์ น, นี้น่าดื่ ม, มเหมือนบรรดายอดโอชาแห่งโครสนั่นก็คือเหมือนปัญจโครสเนี่ยกล่าวว่าพรหมจรรย์ น, นี้น่าดื่มบอกอย่างนี้เล ย, เ น, ยนั่นคือเปรียบเทียบให้เห็นชัดเหมือนกับน้ํานมโค ซึ่งภะาษาสดาเนี่ยได้ตัดไว้แล้วได้ประทานไว้ให้เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจมปรารบ ค, ความเพี่ยนเถิดเนี่ยเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้เห็นแจ้งในสิ่งที่ยังไม่เห็นแจ้งนี่ถ้าเป็นอย่างนี้บรรพชานี้ของเรานก็จะมีผลมีกาไรน่มีอนิสงส์นะแล้วถ้าปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยการบินทบาตอาศัยบินบาต บินธบาทานก็จะมีอานิสงส์งใหญ่มีอานิสงส์งใหญ่แก่ผู้ให้ทานนั้นนี่เอ็นไหมเหมันจะสืบต่อฉะนั้นบทนี้เป็นบทที่สําคัญเนี่ยผมก็เอาไว้เตือนตนอยู่เสมอเนี่ยผมท่องได้ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่มาเห็นบทนี้โดีมากเลยเนี่ยท่องจนไว้ขึ้นใจเลยเนี่ยใครไม่มีสวดคนเดียวอยู่กุติก็ว่าคนเดียวทวนมันเป็นคติซึ่งกินใจเนี่ทำมาประหังเนี่ย เราต้องทบทวนเอาไว้เตือนใจเราเนะี่ยทำมันเรากล่าวดีแล้วเนี่ยนี่ดูดของความที่งายแล้วดูดของปิดที่เปิดแล้วเนะี่ยเป็นธรรมที่ประกาศแล้วเนะี่ยเป็นธรรมที่ขจัดส่วนที่มันไม่ดีที่ใช้ไม่ได้ออกหมดแล้วเสือนออกหมดแล้วเนะื้อเหลือแต่ธรรมที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติเท่านั้นที่เอามาประกาศเอามาสั่งสอนเนะี่ย นั้นก็สมควรแล้วที่คุณระบุรผู้มีศรัทธาเนี่ยที่จะพึงปรารบความเพียรและปฏิบัติเห็นก็บอกเป็นลำดับไปเลยนการปฏิบัติเขาแน่นอนนะปฏิบัติตามใจก็ไม่ได้นี่ต้องอธิษฐานจิตว่าเห็นหแม้หนังเอ็นกระดูกท่านั้นจะเหลืออยู่เนื้อในสรีละนี้จะเขือนแห้งไปก็ทมทีเนี่ย ถ้าสสมาธิยังไม่เกิดปัญญายังไม่เกิดเอามันต่อไปสำนองนี่นะนั่นคือการอธิษฐานจิตเนี่ยมันก็กระตุ้นขึ้นมานะครับตัวโอ้พระเจ้าท่านเอาขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราก็ต้องรับโอวาทเนี่ยมันอธิษฐานจิตนี่มันไม่ตายหรอกนะท่านบอกว่าเพียงแต่อธิษฐานต่อสู้กับมารกับกิเลสเฉยๆนี่ถ้าไม่ทำอย่างนี้กิเลสมันก็ยิ้มนะ ถ้าทำอย่างนี้กิเลสมันตื่นเหมือนกันนียมันตื่นไปมันเอาจริงไปมันเอาจริงมันก็จะตื่นเนี่ยถ้าเราเอ้ยเอ้ยเราเฮ้ยไปเรื่อยอย่างนี้โอ้ยกิเลสมันยิ้มเลยเซ็ตกู้บอกนอนก็นอนบอกลุกก็ลุกบอกอะไรก็ตามใจหมดเลยมันก็ยิ้มสินั่นก็เรียกว่ากิเลสมันมีอํานาจถ้าเราอธิษฐานจิตอย่างที่พระทธเจ้าท่านบอกมันโอ้กิเลสมันดิ้นมันตกใจเลยเนี่ย เห็นไหมพย า, ยา ม, มานะโอ้ยไปพลอำนาจกูแล้วไม่ได้ไม่ต้องหาวิธีแล้วเนะี่ยมันก็ลุ่มมาใหญ่เนี่ยก็ต่อสู้กันแล้วทีนี้เห็นไหมเนะี่ยดะนั้นมันจึงต้องใช้ขันติใช้ความอดทนใช้กำลังเนี่ยโดยอาศัยพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเป็นองค์สนับสนุนให้มีพลังเนี่ยนั่นมะันก็จะเจริญมันก็จะได้ดีนไะด้สนะัมนผะัสนกะับ ธรรมะก็เหมือนกับลายสัมผัสกับปัญจโครถอย่างที่พระองค์ตัดเนี่ยพรมอาจารย์ น, นี้น่าดื่มเหมือนบรรดายอดโอชาแห่งโครถศัทธาส ม, มุขขีภูโตทั้งภาษาสดาก็อยู่นะที่เฉพาะหน้านี้แล้วใช่ไหมแม้ท่านบริณิพานแล้วท่านยังอยู่นะคำสอนอยังอยู่ก็คือภาษาสระยังอยู่เนี่พราะธรรมวินัยนัก็คือเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้านี พระเจ้านี่ผ่านไปแล้วตราบใดพระธรรมวินัยยังอยู่ก็คือพระเจ้ายังอยู่ฉันก็ชื่อว่าพระเจ้ายังอยู่เฉพาะหน้านถ้าเราลำเลิกถึงนะถ้าไม่ลำเลิกถึงท่านก็อยู่ไกลนถ้าลำเลึกถึงท่านก็เหมือนท่านอยู่เฉพาะหน้าเหมือนกับครูบาอาจารย์เหมือนกันน่ะบางคนโอ้อยู่ไกลครูบาอาจารย์โอ้ยอยู่ไกลมันก็ไม่ถึงท่านเลยไม่เห็นท่านเลนะเพราะว่าไม่ได้เอาข้อวัดปฏ right, so so, ิบัติของท่านมาเลยถึงอยู่ไกลก็เหมือนใกล้ ลํำลึกถึงท่านแล้วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนะี่ยเดี๋ยวท่านก็มาหาอยู่เลยละนี่ยคำสั่งคําซ้อนคําเตือนของท่านเพลิดเพินนอนไปโอ้ยมาแล้วอหลับไปก็ฝันโอ้ยครูบาอาจารย์มาเราทําก็ตื่นเนี่ยเห็นทันก็ใจของเราก็เข้ามาสู่การปฏิบัติโอ้ยครูบาอาจารย์มาเตือนแ้วท่านคงเป็นห่วงเราท่านรักเราเนาะท่านเวันบิดาคอยดูแลเราอยู่เนี่ยเราเพลิท่านก็มาคอยเตือนอย่างนี้นี่ นั่นก็คืออำนาจความดีอำนาจผลกุศลอำนาจขวัดปฏิบัติเนี่ยอำนาจการพุทธิ ด, ดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันก็จจะมีอานิสงส์ไหลเข้ามาเนี่ยทำให้เจริญเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราไปเป็นข้อคิดก็แล้วกันวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลา